เราปฏิบัติตัวเราด้วยศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกช่วยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับธรรมดาตามกำลังความสามารถของเราทนี้เวลาเราปฏิบัติ เพื่อพยุงจิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูขึ้งอาจารย์ให้ท่านในอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดถึงวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบาเพ็ญ โดยลำดับลําดาตามขั้นตามภูมิต้องได้รับคำนัดแนะนําตักเตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอันว่าสิ้นสงสัยนั่นเรียกว่าไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นนะคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเยอะกับเรื่องของความห่วงความใยในฐาตในขันในคนนั่นคนนี้เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นมันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายจึงตายง่าย ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั้นแล้วจะไปยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็กลางตาข่ายคือญาณความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลำบาก ซึ่งมีอยู่ในธาตุในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสำคัญไม่อยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความกินของมันทุกแหน่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเน่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายไว้หมด เอาแกแกไปไหนก็แกไปถูกตาขายที่ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ยตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ยก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีกไม่เช่นนั้นธรรมะพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะโอนจะเองีอยงหน้าเอียงหลังล้มใชล้ลงผ้อยอยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้เท่าที่จิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง การปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้าสนิทสนมกับทำเป็นกันขั้นไปเพื่อความเพื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่อาารสอนไว้นั้นจึงเป็นกิจที่ควรอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลำบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสุขความสบายทั้งร่างกายและจิตใจต ค, วความสาาาา ม, มหวังทุกสิ่ง สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึงปรดาถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทําไมมันยิงไม่เป็นไปตามใจหวังนะก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเหล่านั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้เพื่อความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกจำปิดฉังนล้วปฏิตำผิดทุก ข, ขังปรารถนาถึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์หนักคือความบกพร่องจึงต้องปัทนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเปลยนนั้นเพราะเรื่องของกิเลสความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก พร้ออำนาจของกิเลสเมื่อวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสซูญไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นน่นถ้าเรื่องทําแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิตด้วยกันก็ตามจิต ด, ดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์ เต็ม ท, ที่กินดองหนึ่งเต็มไปด้วยคําบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากตวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียมต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกาะหา น, นาี่มาอาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เละกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพ่องอยู่แล้วจะอาศัยอะไรมันก็บกพ่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละเนี่ย ท่านจึงสอนให้ทําใจให้ดีให้ดีไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็าตามอะไรจะมีกฏมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม้สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตบกบกพร่องไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไร เรื่องเป็นอันตรายก็รผู้กิจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองนานมีห ล, ะละักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้ อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านหมดฉ ล, ลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่เนี่ยอ่านมากักอ่านผลอ่านสวรรค์อ่นิพพานล้วอ่านก็ได้ทั้งนั้นแหละรวมักตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานาจริงๆมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมาร น, นั่ น, น เสือร้ากี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยโฉกเที่ยวักเทอปล้นเที่ยวสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่งหายอยู่เราได้ชื่อมันจนกระทั่งโคตรมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงโฉก ค, คงลักคงปล้นคงสะ dom อยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขัน้นงได้โมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมากอกวนเราให้รับความยุ่งยากวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วได้แต่ชื่อมักชื่อผลชื่อสวรรค์ชื่อนิพพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เพื่อความถูกต้องในงามจึงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทําจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทําทําอย่างไรจึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทําเช่นกําหนดพุดโทโธทําโมหรือสังโฆบทตรใดก็ตามกหออ า, า, าหนดอนาปะสติก็ตามแล้วแต่จริตจิตใจของเราที่ชอบเรานํา ม, มาม า, มากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสไปเกาะนั้นก่อนนี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบริกรรมภาวนาด้วยความมีส ต, ติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้กิจสายแสไป สิ่งต่างๆซึ่งเคยนําเรื่องราวมากาะควรตัวเองด้วยยุยแย่เกาะควรให้ได้รับความทุกข์กำลําบักให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวานานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อได้รับการบังคับบัญชาด้วยสติในทางที่ถูกต้องย่อมอยั่งเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิตด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จีนิยมความสงบเยือกเย็นอยู่ภายใน จ, ใจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมอยกก่จิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอย่างอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารพิษคิดเอามาเท่าไหร่ก็มาเผาหลนตนเองให้เกิดความเดืดอดร้อนหนุนบายและสัมแะสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่า ว, วิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้ยิ่งรู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธี ท, ที่จะระงับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นสิทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบ่นเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกที่น่าทิพย์หายไปหมดนั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลก <ừ. S 1> เพราะบ่นได้ด้วยการแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบน่นเฉยเฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอน <ừ. S 1> วิธีทำก็ทางที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ พอจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลประาดยิ่งกว่าความสุขในอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเข้าภายใน จ, จิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเร า, เราความสุขอันนี้ไม่ขย่ืบขึ้นไปหรือจิตไม่สงบมากขึ้นไปกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฝังอยู่ภายใน จ, จิตเลยไม่ตั้งใจจะจําก็จําได้ พระเป็นความสุขที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมามีท่านเอกสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคําบริกรรมเช่นอนาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกําหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนมัง่งไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสของลม ที่ไหนที่ลมสัมผัดมากที่ผ่านเข้าออกนี่ส่วนมากก็เป็นดั้งจมูกก็ออกำหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นอานจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเรื่องมากเรื่องผลการบําเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างหิถทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่อ อยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดแล้วสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองนี่ท่านเรียกว่าอุบายที่ถูกต้องถ้าผู้กําหนดพุดโทโธหรือทําบทใดก็ตามก็ให้รู้อยู่กัทบทํำบทนั้นเท่านั้นจิตจะอย่างเข้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นไปหมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์นในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้น่ะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรน อ, นอกจากความเสศสันต์เฉยๆถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสศสันต์เฉยๆพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในาจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแลเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแปลกประหลาดภในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นและพยายามบําเพ็ญให้มากขึ้นโดยลแบบํำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็าตามเป็นความกระยิมอยู่ภายนจิตเบิกอิงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภานจิตนี้ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆพ้ามีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิวโหวยเราเรามองดูที่ในธาตุขันของเราเนี่ยเราเราสังเกตดูก็รู้ในขณะที่ธาตุขันกำลังหิวโหวยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยนะเพราะความหิวโหวยระบังคับให้สําคัญถึงนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นอาหารไปทั้งทิ่งอะไรก็จเลร่อ ย, ยหมดนี่นพออิ่มแล้วมันก็รู้ ว่าอันใดเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยมันก็รู้จิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทําเป็นเครื่องดื่มอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแหวกคอนแทนไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเขียวอย่างง่ายง่ายอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยไถ่เดียวนำ ทำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราไม่เกิดประโยชน์หืนมามายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษจากตัวเอง ม, ม, มีมีอย่างเหนือนสลัดไปเสียนานนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นนี่เพียงขั้นสมาธิคือความสงบภ า, ายในใจปรากฏขึ้นมาแเราก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว โดยที่ไม่ไม่เกิดความสาคัญอะไรเลยมันเป็นในตัวเองมานเป็นความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหลมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเล้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเล้ยวไหลคนไม่มีวาสนาไปว่าอย่างนั้นแหละตัณิ์จะของไปเรื่อยๆ ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สำเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏเพราะที่จะมีคุณค่าภารากิจมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินๆนั้งนอนรุ่งไปหมดนี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาแต่นั้นมันพอมองดู น, น้่นมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่ค่อยฉุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําปิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าพอทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพรวพราวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน ความตายนี่พิจารณาเฉพาะตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดังเดิมนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สําคัญที่มีอายุโลกที่มีวิ ญ, ญญาณครอบครับที่เข้าสิงอยู่นั่นแหละมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละร่างลาร่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรมุมทุลายจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปนี่เป็นความทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาที่แรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมันอดตายถึงในยังเป็นมนุษย์มานั่นนะออกมาจากช่องแคบๆทำไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่ได้เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการแต่แคเกิดจะเกิด <Hey. S 1> ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทาั้งๆที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่ตายเกิดไม่กลัว ทางวัลลภจะพิจาณาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอัดเป็นทันแล้วคือนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขมาก่อนแล้วแล้วจะส่งผลไปถึงความตายนะทุกข์ก็จะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหมก็แก่ไปด้วยกันนั่นแหละถึงกระต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่อย่างไงบ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยอทุกข์ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกขิ่งแก่ขึ้นโดยลำดับลาดับดีไม่ดีแบกขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลำบากมากนั่นนี่ปัญญาแกเจ็บตายโลกธกาตุนี่มั น, เ ป, นเป็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยป่าช้ามีช่องไหน พอจะว่างให้เราอยู่ด้วยพภามีความภาสุขสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราคาคร่าไม่ต้องได้รับความทุกข์ความลำากไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุถึงผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเนื้อเกินตัวลืมเนื้อลืมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย ความรู้เรื่องรูลาลูเหตุลุ้ผลถอยเข้ามาเขาด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลําดับเพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟ อ, อกสิ่งที่มัวหมองความหล ง, งงมงายอยู่ภายในจิตใจออกแล้วไปจิตใจก็มีความแผวพาขึ้นมาโดยลําดับนั่นนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้เดิมดับการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจิดตายนี้เพื่อจะฉลาดความรุ่มความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องประยุทธ์อะไรด้วยอํานาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจา ก, กจิตใจโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมารวมหน้าของปัญญานี้นี่การดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของจิตใจตัวเองไปโดยลำดับลาดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลาดับปัญญาพิจนาณาเฉลียวฉลาดรอบตัว เท่าไรถึงขั้นปัญญาละเอียดยิ่งชำระจิตของเราให้เข้าสู่ขั้นละเอียดชำระสิ่งที่ตกตกลงอมทั้งหลายซึ่งมันเกาะอยู่ภายในจิตหุ้มห อ, อยภายในจิตให้ออกไปได้เป็นลําดับลําดาจนกระทั่งที่สุดแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราซึ่งอยู่ในกับตัวของเรารับผิดชอบคนนี้อยู่นี้ก็ตามก็สามารถที่จะรู้รอบขอบคิดรู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือถึงจะพาไปพามาพา เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบแลาความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่งหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสำคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายใจิตใจของตนเองที่เทียบว่ากิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันนี่ปัญญาแยกดูให้เห็นเรื่องฐานเรื่องฐานเวลานี้มันเป็นอยู่ วาระต่อไปมันจะตายเนี่ยก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงหันว่าให้รู้ตามเป็นจริงของมันมปา่าช้าอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการฝรืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกไปเห็นคาดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางรูปก็ปล่อยวาง คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไปรูป้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายใกายก็ตามเกิดขึ้นภรรรายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นทีน่ปริณาธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือแม่ควรจะไปเพิ่งพิงพียงอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแกนสารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชักฟอกปรโดดําดับสิ่งที่ แต่มีความปองสายขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อรับปัญญาซักพอกถักสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างสวัยใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมดับสลับทิ้งหมดด้วยอํานาจของปัญญาในบรรดาธาตุขันหรือกิเลสอาศวะที่มีอยู่ภาณ ใ, ใจิตใจได้ซักพอกกันกันหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแลคือจิตที่พึ่งตนเองได้เต็มที่ แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะอยู่เฉพาะพระภาภพพระ เ, เจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในจิตใจนี่อย่างนี่แลสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวของท่านท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจกักรตั้งแต่ความจุกในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งความจุกอันสมบูรณ์ภายในจิตใจเหตุการสร้างใจจึงเป็นการสร้างยาก การปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยากแต่เวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทําพราะเห็นว่ายากแต่นักปราชุดหรือผู้ที่เห็นการไกลพิิพจน์นาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พยายามสร้าง เช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศัยได้เพียงเท่านั้นเท่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื e ่ออันดีไม่มีภายนจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอั น, นใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการทังเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุขความถูกจะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุงการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ย นี่ละสาเหตุที่จะให้เราสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมที่ท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก็ทํำดังที่ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสนกายทํามามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความน้ำสายมาด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าท่านแหล่ลาบากแค่ไหนก็มาสะละเป็นสะละตายสะละเวลามเวลาสะละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็น เหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้ า, าว่าเราไม่ได้สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนหลอบใครจะไม่รกมักไม่สงวนชีวิตทั้งตัวเองใครจะไม่รกมักไม่สงวนของสมบัติเงินทองของเสียไปแต่และบาดแต่และต่างเสียดายนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมาเราจึงสละได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อตัวเองนี่แหละเราก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจารณายากลําบากแล้วก็ทําได้ไปได้มาได้ แล้วการมันเพนจิตใจเป็นสิ่งสําคัญเร อ, อยากได้ปล่อยวางในสิ่งสําคัญให้เห็นว่าสิ่งสําคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักจัดสมนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบําบุงรักษาให้ดูขึ้นโดยลําดับชาตินี้เราก็อาศัยใจเราเอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจาก วันนี้ก็เป็นวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี่ก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีเชื้อแห่งมัตต์อยู่ภายในจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตายสืบต่อเนื่องไปโมยหนักหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยหนักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจ ไปพบใดชาติใดหากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกขสารก็ยังมีพอมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนตนอุนตการมากนักจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้นี่แหละความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลาดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละ ทีนี้ไม่ต้องพึ่งใครอาศัยใครตามพระพุทธิจารและสาวกทั้งหลายถึงเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ไม่ยากอะไรเลยนิพพานได้อย่างสะดวกสบายธรรมดาธรรมดา <c oughs> เราเมื่อสร้างจิตใจให้เต็มภูมิของเราแล้วไม่หวังจะพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วเต็มภูมิของใจการเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนเราก็ตายได้ทั้งนั้นแหละเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทําให้เราล่มจม เรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความร่มจมบริสุทธิ์ต้องสมุบริรสุทธิ์เสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพื่อความร่มจมเราจะไปร่มจมที่ไหนท้าเป็นของล่มจมเราก็เกิดมากี่พวกกิจชาติแล้วทำไมมาเกิดได้อีกทําไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทําไมเนะนี่ยและชาติหน้ามันก็มีอีกเช่นเดียวกันกับชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้น ท่นขอให้ภากันพิจิตรพิจารณาให้บำเพ็ญอิสระภาวนาเป็นสําคัญสร้างจิตทั้งเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่นสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบําเพ็ญคุณงามความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหนะ้าที่การงานอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์และมีความรอบคอบให้ถูกต้องในงานขนนก็โดยลําดับเะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบําเพ็ญ ทำจะเป็นค่าสึกต่อนาทีการงานและผลประโยชน์ชนอื่นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้